จเจริญวจีสุจริตละมะโนทุจริตจเจริญ ม, มโนสุจริตละมิจฉาทิฐิจเจริญสัมสมาทิฐิแล้วเธอย่อมไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมีข้างหน้าในอารักขสูตรอังคุตรนิกายจตุ ก, การิบาตมีพุทธพอ์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรสร้างอัปมาทะคือการรักษาใจด้วยสติโดยตนเอง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 ธรรมนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าธรรมนั้นคือความไม่ประมาทในทุติยะอ ป, ปะมาทสูตรสั่งยุตานิกายสขารถวรตพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสเนธิโกศลอีกว่าดูกระมหาบอบพิษธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้นสําหรับผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหา หาใช่สําหรับผู้มีปาปมิตรผู้มีปาปะสหายผู้มีปาปชนเป็นที่คบหาไหม่ความมีกาลยานามิตรนั้นเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะเหตุนั้นแลมหาวทพิธพระองค์พึงทรงสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้มีกาลยานามิตรมีกาลยานาสหายมีกาลยานาชนเป็นที่คบหา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 ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาตลอดจนแม่ยุ่งฉางพระคลังหลวงก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา